แต่ที่สําคัญก็คือบอกว่าไอ้ข้ามสะข้ามตัณหาเนี่ยนะต้องมีสะพานคืออริยมรรคเนี่ยเั้นถ้าเราจะเห็นพิษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษของวัตตะเห็นทุกทุโทษของกระแสตัณหาอุปาทานเป็นต้นถ้าผูกสะพานคืออริยมรรคไม่สําเร็จยังไงก็ข้ามจากวัตตะสู่วิวั ต, ตะไม่ได้ในข้อแปดสิบหกนะเนี่ย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 โลกะทะเลน้ําทะเลทั้งโลกนี่ก็คือน้ําตาของเราคนเดียวก็ยังไม่พอเอกอกระน้ําตาของเราก็มากกว่า น, นั้นอี ก, ก น, นะเม็ดฝนทั้งโลกก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ด ไ, ม ไ, ดไม่ได้มากไปกว่าหยาดเหงื่อที่ตกลงมาจากกายเลยรแบบั้นมันโลกทั้งโลกนี่จะเรียกว่าเนื้อเลือดเอ็นกระดูกอะไรของเราทั้งหมดก็ได้นะเพราะสําหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอะไรต้องบริโภคดินน้ําลมไฟะนะก็กลายเป็นดินน้ําเป็นดินเป็นลมเป็นไฟอยู่อย่างนี้แหละ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 เราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดแ ล, ล่นไปเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้เห็นไนหะมันก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ต, ต่นะไม่มีปริญญากิจในอริยสัจนั่นแหละจึงต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้กําหนดรู้อุปาทานนัขันคือรูปเพราะไม่ได้กําหนดรอบรู้อุปาทานนัขันคือเวทนาไม่ได้กําหนดรอบรู้อุปาทานนัขันคือสัญญาสังขารและ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 ทิ้งขันหนึ่งถือเอาขันหนึ่งทิ้งอายตนะหนึ่งถือเอาอาย ต, ตนะหนึ่งโลดแล่นไปเหมือนลิงที่กระโดดท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่นั้นลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าใหญ่จากต้นไม้ต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งทังง้ันใดผู้ที่ไม่กําหนดรอบรู้อุปาทานขันทั้งหลายก็ฉันนั้นดูกว่าพิสูจทั้งหลายเพราะมิได้ตรัสรู้เพราะมิได้แทงตลอดอริยสัตว์คือ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 อารยมรรคเนี่ยนะแทงตลอดสมุทัยเนี่ยนะด้วยอรรยมรรคผัสธาจะรู้จักตันหาจริงต้องรู้จักด้วยอำนาจของอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะชื่อว่ารู้จักตันหาอย่างแท้จริงถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยนะบอกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจตันหารู้นะว่ามีตันหาแต่รู้แบบคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของตันหายังบุคคลทั่วๆไปเนี่อรู้ไหมว่าโอ้เนี่ยตอนเนี้ยมีตันหามีโลภะมีความต้องการมีความทะเยอทะยานมีความต้องการมีความอยาก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 อริยมรรคที่แทงตลอดตัณหาโดยการละนั้นเมื่อไม่รู้นะเราแตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดเล่นไปเร่ร่อนไปตลอดการระยาวนานอย่างนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดอริยสัจคือความดับทุกข์เนี่ยนะดับทุกขหรือความดับเหตุให้เกิดทุกความดับตัณหาเป็นที่เพิกถอนอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ตรัสรู้พระนิพพานโดยอรรมณปัจจัย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 เวียนไหวาตายเกิดอีกยาวนานเหมือนกันนะเพราะอย่างที่เราเราทั้งหลายได้ยินเนี่ยก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่ได้เข้าใจคือไม่ได้อ่าใจของเรายัางไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานก็โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ยินคําว่านิพพานใจก็นึกถึงคําว่านิพพานแต่ยังไม่ได้สัมผัสแห่งสภาวะพระนิพพานด้วยอริยมรรคทั้งหลายเมื่อไม่แทงตลอดสัมผัสพระนิพพานอย่างนั้น่ะนะ ร่อนเรไปอีกนานเนี่ยเร่ร่อนก็นร่อนเรนเนี่ยน ะ, ะก็ร่อนกระเร่ไปเรื่อยเนียจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะเชื่อไหมเดี๋ยวของเราก็เร่ต่อไปอีกแล้วเรร่อนจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยเอาไหมตลอดไปไม่เอาอีกแล้วไปตลอดไปเอาไหมเหมือนไม่เอาแต่ก็เซ็นสัญญาว่าจะต้องทำนี่ น, นะอะดูจากไหนก็ตันหาี่ก็ดูจากว่าอาริยมรรคไม่เกินจะไปไหนก็เซ็นสัญญาผูกมัดตัวเองในวัฏฏะตลอดอนะบอกโอ๊ยเบื่อเลอะเกินเบื่อเลอะเกินไม่เอาแล้ววัตะ ไม่มีมาร์กอะไรมาตัดสัญญาอะไรซากอย่างมันจะอะไรนะทำท่าเหมือนไม่อยากดูใช่ไหมอย่างที่เขเล่านะบอกโอ้ยปู่ย่าตายายทั้งหลายนะออ้ยทำท่าเบื่อนายเหลือเกินวัตะตะจะห่วงอย่างเดียวกับหลานเท่านั้นแหละเท่านั้นนะเบื่ อ, อยังไงแล้วเบื่อได้ชอบกันแน่เนี่ยฟังแลไม่เข้าใจบอกเบื่อเหลือเกินพวกลูกเป็นต้นเนี่ยนะแต่ชอบหลานติดในหลานมากนะไปไ็นนายก็ไม่ได้ บอกหัวนี่ทําท่าเหมือนจะออกแต่หางเนี่ยมัดรัดไว้ไม่รู้กี่ชั้นกี่ปลอกก็ไม่รู้เนี่ยนะติติติติติดนี่ น, น, นั่นแหละวโอ้ยห่วงหลานองนั้น น, น, น, นะก็เลยอดฟังธรรมเลยกันเนี่ยนะถ้าธรรมะยังไม่ได้ฟังเลยจะกล่าวไปยญ่ถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ บอกว่ า, าชั้นก็ปฏิบัติธรรมไงเนี่ยทำอะไรบอกก็เลี้ยงหลานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งเออทำของใครก็ว่ากันไปงั้นก็ศาสนาของคุณก็แล้วกันอ่างนั้นปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าศาสนาของคุณไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าพูดอย่างงี้ก็ไม่ได้แปลว่ามไม่ให้สงเคราะห์บุตรภริยาบริวารไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายก็ว่าบางคนเนี่ยทุ่มเททําตัวเป็นเด็กไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอ้าคนจะเลี้ยงเด็กได้นต้องคิดแบบเด็กนะจึงจะอยู่กับเด็กได้ ถ้าฝึกไปนานๆจะไปไหนใช่ไหมซ้อมๆมาไว้นะคุณริวันไม่ถึงข น, นาดนั้นนะยังไม่ได้ซ้อมอาไว้นะห่วงล้านก็บอกโอ้ยต้องซ้อมไปเป็นล้านเลยยุ่งเลยนะฝึกๆเอาไว้อย่างนี้ก็เดือดร้อนแนะ่ยังไงยังไงก็อนนะเขาฉันใดเราก็ฉันนั้นนั่นนะ่ะ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 ถ้าเห็นอริยศาสตร์แล้วไม่เป็นอย่างนี้กันหรอกมั้นปัญหาทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นล้วนจากคนที่ไม่เห็นอริยศาสตร์นี่นแหละสร้างปัญหาขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดชาติชารามรณะความเจ็บปวดโศกกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตกองทุกทั้งมวลเนี่ยก็เกิดจากการไม่แทงตลอดอริยศาสตร์นั่นแหละเมื่อไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ก็เป็นอวิชชาเมื่อไม่มีมักขสมมาทิฐิก็แปลว่ามีอวิชชาเพราะนั้นอวิชชาเนี่ยนะความไม่รอบรู้ใน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 การเกิดในนรกจึงมีการเกิดในเปรตอสุรกายเดริชานการเกิดในมนุษย์ทั้งหลายการเกิดในวัตตะทั้งหลายมีก็เพราะไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ทั้งหลายเมื่อไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ชาติชารามรณะจะไปไหนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถือกำเนิดเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาก็เหมือนกับชาราและมรณะเหมือนเหตุทีม่มันดุลดินขึ้นมาถ้าเหตุโผล่ขึ้นมามันดุลดินขึ้นมาการเกิดก็เหมือนการเท่ากับดุลชาราและมรณะให้เจริญ ง, งอกเงยติดตามมาด้วย ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ตรัสรู้ไม่ทํากิจในอริยสัจสี่ไม่ทํากิจทุกข์ด้วยการกําหนดรอบรู้ไม่ทํากิจในสมุทยัยด้วยการละไม่ทํากิจในนิโรธด้วยการทําให้แจ้งไม่เจริญอริยามรรคอันประกอบไปด้วยองคปดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาาสัจคือทุกนี้นั้นตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้ว น, นะนะพระองค์บอกว่าแทงตลอดเสร็จสิ้นแล้วใช่ที่ในธรมนธรมจักรนั้นธรรมจักรบอกว่า ทุกทุกควรกําหนดรู้ทุกเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะอริยศาสตร์คือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกขตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วอย่างที่พระองค์บอกวันนี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรละทุกขสมุทัยตถาคตละเสร็จแล้วเนี่ยนะอริยศาสตร์คือความดับทุกตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วตรัสรู้ยังไงเขาบอกว่าตนี้ทุกนี้ทุกขณิโรธ ทุกขานิโรธควรทำให้แจ้งทุกขานิโรธเราก็ทำให้แจ้งเสร็จแล้วเนี่ยนะส่วนอริยสัจ ค, คือข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์เขื่อเรียามาังอันประกอบไปด้วยองค์แปดตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วก็แทงตลอดวันนี้ทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาทุกขานิโรธคามินีปฏิปฏาทค า, มมปปาควรเจริญทุกขานิโรธคาข ม, มินีปฏิปทาเราเจริญเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นตันหาในพบความเพลิดเพลินในการมาพบรูปประพบอรูปประพบตถาคดถอนขึ้นเสร็จแล้วนะครับว่าด้วยอนุภาพของอริยมรรคเป็นเครื่องถอนถอนตันหาอะไรเยื่อใอยยางเหนียวในกามาพบรูปประพบอรูปประพบเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นตันหาที่จะนําไปสู่พบใหม่สิ้นแล้วมันไม่มีอารมณ์อะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่ อารมณ์ตัวนั้นเป็นชื่อของตันหาไม่มีตันหาเหล่าใดที่จะพาเพาะขึ้นในนรกปริตาสุรกาเดราชานันมนุษย์เทวดาคนทันนาคอินพรมเป็นต้นไม่มีอีกแล้วเพราะตัดเยื่อใหญ่ที่จะเพาะที่จะสร้างตนขึ้นในวัฏฏะอีกแล้วเพราะฉะนั้นบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป